อธิษฐานขอเจอหรืออธิษฐานขอจากสุดท้ายอย่างไรก็ต้องเจออยู่ดีเหมือนอย่างที่ผ่านมาในชาตินี้คุณนึกว่าเจอแต่คนแปลกหน้าเป็นส่วนใหญ่ที่แท้เจอแต่คนเคยกันเองทั้งนั้นการพบกันใหม่ในชาติหน้าอาจไม่ใช่อะไรแบบที่คุณคิดในชีวิตนี้คุณผ่านพบผู้คนมากมาย บางคนรู้สึกเฉยเฉยจะเป็นจะตายก็ช่างบางคนรู้สึกพิเศษคุณอาจตายแทนเขายังได้แต่นั่นแหละทั้งหมดทั้งปวงเหล่านั้นในสันนิฐานว่าคุณเคยพบเคยเจอมาก่อนแล้วสมดังที่พระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งชาติภพได้ตรัสไว้ว่าวัาตตาสงสารอันหาต้นหาปลายไม่ได้นี้ที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่ที่ไม่เคยเป็นลูกที่ไม่เคยเป็นพี่น้อง ไม่ใช่หาเจอโดยง่ายครั้งหนึ่งเคยใส่ใจรักใครเอ็นดูขนาดยอมสละชีวิตแทนกันได้มาเจอกันชาตินี้อ่าจรู้สึกคุ้นแสนคุ้นรักแสนรักห่วงแสนห่วงโดยไม่ต้องมีเหตุมีผลสมน้ำสมเนื้อเพียงแค่เจอหน้ากันก็อยากทำอะไรให้ทุกอย่างสุดชีวิตแล้วแต่มนุษย์เราไม่ได้มีแค่ความรู้สึกผูกพัน ความรู้สึกเป็นอื่นยังคงเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัวเมื่ออุดมการทางการเมืองไม่ตรงกันเมื่อศรัทธาทางศาสนาแตกต่างกันหรือเมื่อไม่ได้อย่างใจกันง่ายๆความรู้สึกก็พลิกเปลี่ยนเป็นคนละพวกได้พอเป็นคนละพวกก็พร้อมจะต่อสู้กันทางความคิดหรือต่อสู้กันแบบลงไม้ลงมือเอาชีวิตกันด้วยความจำใจ หรือฆ่าแกงกันด้วยความโกรธแค้นอะไรๆเป็นไปได้หมดบนเส้นทางไม่แน่ไม่นอนในสังสารวัตรนี้ในชาติเดียวพ่อแม่ลูกเคยรักกันสุดท้ายอาจฟ้องร้องกันหญิงชายบางคู่อาจพลิกไปพลิกมาเป็นอะไรให้กันและกันได้หลากหลายเริ่มต้นอาจเป็นเพื่อนเล่นเล่นแล้วช่วยเหลือกันจนกลายเป็นนับถือแบบพี่แบบน้อง สนิทแบบพี่น้องใกล้เนื้อใกล้ตัวนานไปกลายเป็นความผูกพันพิศวาสแบบคนรักอธิษฐานขอพบขอเจอกันไปทุกชาติแต่รักมากเพียงใดพอห่างตัวได้หน่อยเจอคนใหม่ก็ไขว้เขวเผลอนอกใจกันหรือกระทั่งทิ้งกันไม่เหลียวแลกันกลายเป็นโกรธแค้นสาบแช่งกันอย่าได้พบอย่าได้เจอกันอีกเลย เหล่านี้เห็นด้วยตาเปล่าว่าเกิดครบในชาติเดียวได้ความผูกกรรมคือสายใยเหนียวนำให้ต้องแวะเวียนกลับมาเจอกันวันยังคำ่ำฉนั้นจะอธิษฐานขอเจอหรืออธิษฐานขอจากสุดท้ายอย่างไรก็ต้องเจออยู่ดีมันอย่างที่ผ่านมาในชาตินี้คุณนึกว่าเจอแต่คนแปลกหน้าเป็นส่วนใหญ่ที่แท้เจอแต่คนเคยกันเองทั้งนั้น บางคนเจอแล้วนึกพิวสว่าทันทีด้วยบุญที่เคยเกือ้อกูลกันมาแต่หารู้ไม่ว่าเคยแอบแค้นกันไว้อาจเคยสาบแช่งไม่เผาผีไม่ขอเจอกันชาติหน้าด้วยแต่ด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาปิดบังไว้ชาตินี้ก็อยากเอาให้ได้อยากอยู่ด้วยกันให้ได้อีกแล้วก็ย้อนกลับมาเค็ดลาบขอไม่เจอไม่เจอกันอีก ทั้ความรู้สึกเข้ามาในกายนี้ใจนี้ที่กําลังปรากฏอยู่เดียวนี้นี่แหละคือชาติปัจจุบันของคุณนี่แหละคือผลจะ ก, กรรมเก่าที่ถูกลืมไปแล้วนี่แหละคือสถานีสร้างกรรมใหม่นี่แหละคือรากเง้าของอนาคตชาตินี่แหละคือที่ตั้งของข่ายใหญ่กรรมสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนนี่แหละคือเหยื่อล่อให้หลงยึดว่าเป็นตัวคุณ นี่ยหละคือคกลไกให้ยึดใครตัวใครว่าเป็นอะไรกับคุณเนี่ยหละคือตัวหลอกว่าอะไรอะไรจะเหมือนอย่างนี้อีกทุกชาติเนี่ยหละคือสิ่งที่วันหนึ่งจะนอนนิ่งรอคนอื่นเผาเหมือนขอนไม้เนี่ยหละคือโอกาสเรียนรู้ว่าจริงๆไม่มีตัวคุณไม่มีตัวใครอยู่ในนี้